ยังคิดทั้งเรื่องของเราทั้งทั้งที่จบกันไปยังนึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีเธอข้างกยังคิดถึงเรื่องดิมๆแต่ทำไมใครจ้งให้ออกไปยังติดอยู่ในใจอาจเป็นเพราะ ฉันในตอนที่ตก ว, ว่นนี้เพราะอาจรักกันในตอนสุดใ้ของเรื่องราวเมื่อถึงเวลาเวลาอาจพบกันเหมือนที่บอกกับฉันว่าเธอเป็นโค้ดกันก็คง เธอกลับมาฉันเลยฟฝ้ารอเวลาให้คำนาลิกาเดินไปให้ไกลจนถึงวันนั้นวันที่เราสองคนโตพอที่จะรักกันแต่กลัวฉันไม่ย้อนึ้นมากลัวฉันเวลาแล้วเธอ t h g l a s